สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิธรรพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวพระเยซู ต, ตอนที่584ลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้องครับการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราต้องเข้าใจพลักษณะของพระองค์ก่อนนะครับให้เรามาดูนะครับว่าพระเยซูได้ตรัสถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรบ้างในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ7พระเยซูตรัสว่าการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไปองค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาพวกท่านถ้าเราไปแล้วเราก็ใช้พระองค์มาหาท่านคาถามที่นี่ก็คือว่าพระเยซูตรัส ด, ดังนี้แปลว่าอะไรการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านทีนี้นครับพระเยซูกำลังเปิดเผยความลับนะครับที่ถูกปิดซ่อนไว้ก็คือว่าพระวิ ญ, ญญาณของพระเจ้านะครับจะเป็นสหาย ที่ดีทีสุดสำหรับเราและผู้เชื่อในรุ่นต่อๆมาเพียงครับสาวกนั้นได้เห็นพระเยซูทางกายภาพได้สัมผัสได้รับประทานอาหารได้โอบกอดพระเยซูได้มีโอกาสพูดคุยกับพระเยซูได้เห็นพระเยซูด้วยตาตาเนื้อของเขาแต่พวกเราไม่ได้เห็นพระเยซูด้วยตาเนื้อของเราไม่มีโอกาสสัมผัสไม่มีโอกาสที่จะพบกับพระเยซู ในสภาพกายภาพหรอครับเพราะฉะนั้นพระเยซูกําลังจะบอกพวกเราว่าพระวิญญาณของพระเจ้านะครับพระวิญญาณของพระเจ้าจะเป็นสหายที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราเนี่ยครับคือพระเยซูกําลังกําลังนําเสนอนะครับในพระมยอนตอนนี้พระเยซูกําลังนําเสนอพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ประเสริฐกว่านะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์กว่าก็คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองพินักับการที่พระเยซูจากไปนั่นหมายความว่าพระเยซูไม่ได้อยู่กับเราทางด้านกายภาพนะครับแต่พระองค์ทรงสง่สงพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อที่จะอยู่กับเราตลอดไปนั่นแหละครับคือสิ่งที่ดีกว่าประโยชน์ของของเราในพระธรรมสองโครินโบที่สิบสามสิบสี่นะครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูในรายละเอียดเป็นพระกัมปีที่าศาสนาจารย์ ผู้รับใช้พระเจ้าใช้เยอะที่สุดก็คือใช้ในการอธิษฐานขอพระพรถือหรือที่เรียกว่า Benediction ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์ความรักของพระเจ้าและความเสนิทสนมซึ่งมาจากพ่ออินทร์บริสุทธิ์ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเพียงครับพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับความรักของพระบิดาเจ้าและก็ความเสนิทสนมซึ่งมาจากพ่ออินทา์บริสุทธิ์อันนี้จะเห็นตรีการุภาพครับ ในฐานะผู้เชื่อนะครับเราได้รับพระคุณผ่านทางพระเยซูเราได้รับความคืนดีกันนะครับความรอดนะมาจากพระเยซูซึ่งเป็นพระคุณพระคุณคือสิ่งที่เราได้รับอย่างที่เราไม่สมควรเปาโลต่อกล่าวต่อไปว่าความรักของพระเจ้านั่นหมายถึงความรักของพระบิดานะครับ ความรักของพระบิดาก็คือว่าเป็นความรักที่พระเจ้าพระบิดาประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นะครับเพื่อที่จะให้เราซึ่งเคยเป็นศัตรูกับพระองค์จะได้กลับคืนดีกับพระองค์รับความรักของพระองค์เป็นความรักที่ช่างอาศัศจรรย์ช่างน่าอาศัศจรรย์อย่างยิ่งพี่น้องครับการเป็นลูกของพระเจ้าต้องการความรักนะครับและเราสามารถเรียกพระบิดาได้ว่าคุณพ่อบนสวรรค์ แน่นองครับจากความรักของพระบิดาที่เองทำให้เรานะครับได้มี eternal security ก็คือความมั่นคงปลอดภัยนะครับนิรันดร์เพราะเจ้านาของพระเจ้าในโรมบทที่8เก้าสามสิบแปดเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานี่เป็นพระสัญญาที่อัศจรรย์สวยงามและอบอุ่นมากครับพี่น้องเราจะรู้สึกขอบคุณพระเจ้าและไม่มีสิ่งใดครับที่จะทําให้เราแยกจากความรักของพระเจ้าพระบิดาได้นะครับท้ายที่สุด ความสนิทสน ม, สนนมซึ่งมาจากพ้องญาณบริสุทธิ์ครับท่านอคาทูดเปาโลได้กล่าวว่าความสนิทสนมซึ่งมาจากพ้องญาณบริสุทธิ์ขอดํารงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดทําไมเปาโลจึงเลือกจบจดหมายฉบับนี้นะครับในพระธรรมสองโครินอย่างลึกซึ้งเช่นนี้น่าสังเกตนะครับว่าท่านอครทูดเปาโลนั้นใช้คําว่าเสนิทสนมกับพ้องญาณบริสุทธิ์ คาว่าเสนิสนมก็มาจากคําว่าคอมมิวนีนนะครับบางคนคิดว่าคอมมิวนีนนั้นมีความหมายเฉพาะแค่เสนิสนมในแง่ของอขนมปังกับน้ำบางุ่นแต่ความเ ส, สนิสมนี้ครับแท้จริงในภาษากรีเนั้นใช้คําว่าคอรโนเนียซึ่งแปลว่าสามัคคีธรรมนะครับสามัคคีธรรมจริงๆแล้วเป็นแค่ความหมายเดียวของคําว่าคอรโนเนียเท่านั้นความจริงแล้วคอยโนเนีย มีสามความหมายด้วยกันครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสรู้ถึงความหมายที่หนึ่งความหมายที่หนึ่งของโคยโนเนียก็คือว่าเฟโลชิพก็คือสามาัคคีธรรมคำว่าเฟโลชิพนั้นมาจากคาว่าเฟโลครับเฟโลคือเพื่อนเกลอครับเป็นมิตรภาพนะครับเป็นการแบ่งปันร่วมกันนะครับเป็นเพื่อนที่เชิทสนมกันเป็นสหายหรือเป็นเกลอกันที่มีประสบการณ์ร่วมกันนะครับ เขาแบ่งปันซึ่งกันและกันพูดคุยกันและห่วงใยกันและกันพี่น้องครับการสามคิดทำพระวิญญาณบริสุทธ์ก็เช่นเดียวกันครับเราจะต้องมีความสัมพันธ์แบบเพื่อนแล้วต้องมีความสัมพันธ์แบบสหายนะครับเราจะต้องรับรับอะไรครับรับฟังพระวิญญาณบริสุทธ์นะพูดกับพระวิญญาณบริสุทธ์และเรารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธ์นั้นทรงห่วงใยและรักเราครับ วงใ ย, ยในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันครับห่วงใ ย, ยทุกทุกความทุกยากที่เกิดขึ้นกับเราพี่น้งครับนี่คือคําว่าชนิทสนมหรือคําว่าคอยโนเนียนั่นเองพี่น้องครับในพระเจ้านักของพระเจ้านะครับให้เรากลับมาดูอัครทูตนั้นก็ยังพึ่งพาการคอยโนเนียหรือการสามาัคคีธรรมหรือเฟรนดชิพกับพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ เราเห็นว่าในพระธรรมกิจการนะครับล้วพบว่ามีาในบทที่20นะครับได้พูดว่าบัดนี้พระวิญญาณทรงนำข้าพเจ้าให้ไปยังกรุงเยรูซาเล็มไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้ า, ขาพเจ้าบ้างยกเว้นสิ่งที่พระวิญญาณทรงเป็นพยานกับข้าพเจ้าในทุกๆเมืองว่าเครื่องจองจาและความยากลาบากกาลังคอยข้าพเจ้าอยู่พี่น้องครับ ท่านอัครทูตเปาโลนั่นเฉยๆสนมกับพู้ยัญบริสุทธิ์มากและท่านสนทนากับผู้ยัญบริสุทธิ์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตพี่น้องครับให้เราสังเกตนะครับว่าพู้ยิญบริสุทธิ์นั้นไม่ได้บอกเขาว่าการจองจำและความยากลําบากจะรอเขาอยู่ที่เมืองเดียวแต่ด้วยเหตุที่เขามีสาเมเณรกับพู้ยัญบริ ส, มสมออุทธิ์สม่ำเสมออัครทูตเปาโลจึงรู้ว่าความยากลําบากนั้นกําลังรอคอยเขาอยู่ทุกเมืองพี่น้องครับ พระวิญญาณบสุทไม่ได้ดีใจนะครับที่จะให้เราตกประกำลาบากและก็ไม่ได้ดีใจที่อัครทูตเปาโลตกประกำลาบากแต่พระองค์บอกสิ่งนี้เพื่อเตรียมเปาโลให้พร้อมกับพร้อมพร้อมกับสิ่งที่จะมาข้างหน้าพร้อมมาเชิญกับความทุกข์ยากลําบากและพระวิญญาณเตือนเขานะครับเตือนเขาอย่างนี้ได้ด้วยวิธีการอย่างนี้ได้ก็ เ, เพราะว่าอัครทูตเปาโลกับพระวิญญาณนั้นมีความสัมพันธ์สนิท ก, กันครับ พี่น้องครับอักขรูดเปาโลกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความสัมพันธ์สนิทสนมกันคําถามก็คือว่าคุณและผมเองนั้นมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่าจนกระทั่งเราจะได้ยินเสียงของพระวิญญาณที่ตรัสการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับหรือเปล่าข้ามผิดตอนนึงครับ ได้บอกถึงการทำให้ทำกับพผู้ญานบริสุทธิ์ก็คือมีบางครั้งครับผูวิญญาณบอกเราในสิ่งที่เราไม่อยากฟังก็มีนะครับในกิจการบทที่สิบครับได้พูดถึงเรื่องของเฟโตที่ได้รับคําสั่งจากผูวิญญาณบริสุทธิ์พู้วิญญาณบริสุทธิ์สั่งเขาเลยนะครับนะบอกว่าดูเถิดใช้ยสามคนจะมาหาเจ้าอันนี้อยู่ในบทที่สิบข้อที่สิบเก้านะครับใช้เหล่านั้นมาเพื่อนําเฟโตไปเยี่ยบบ้านของนายร้อยชาวต่างชาติ สถานที่ปกติแล้วเปโตรซึ่งเป็นคนหิวจะไม่เหยียบย่างเข้าไปหรอกครับฉะนั้นพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์จึงตัดกับเขาสั่งเขาชัดเจนว่าจะมีคนมารอพบเจ้าที่ด้านล่างเราอยากให้เจ้าไปกับพวกเขาเราต้องการให้เจ้าทํำภารกิจนี้ น, นะครับแม้ว่าเปโตรอาจจะไม่เต็มใจในการทําำันรกิจนี้ในเบื้องในเบื้องแรกเบื้องต้นและพระเยซูนะครับพระองค์ก็ทํางานผ่านพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ครับสั่งให้ พ้าิญาณบริสุทธิ์นะครับขอโทษครับสั่งให้อากาลเปาโลหรือคณะเปาโลนั้นทำโดยไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมทีนั้นครับนี่เป็นคําสั่งครับแสดงว่ามีบางเวลาที่พระเยซูจะสั่งเราผ่านข้าวิญญาณบริสุทธิ์ครับนะครับข้าวิญาณบริสุทธิ์ก็จะบอกเราในสิ่งที่เราบางทีอาจจะไม่อยากฟังไม่อยากทําก็ได้อีกตัวอย่างนึงครับในกิจการบทที่แปดข้อยี่สิบหกเราเห็นการพึ่งพาพ้าวิญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งเราเห็นชัดเจนนะครับว่า ฟิลิปนั้นสามารถแยกแยะครับแยกแยะระหว่างเสียงของทูตสวรรค์ลและเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นะครับฟิลิปคุ้นเคยกับเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงขนาดยั่นถึงขั้นแยกแยะได้ว่าเสียงของพระวิญญาณอันไหนและเสียงของทูตสวรรค์เป็นอย่างไรนั่นครับในเช้าวันนี้นะครับเป็นภาคปฏิบัติแล้วที่เราจะอาจจะต้องคุกเข่าลงนะครับแล้วพูดกับพระเจ้าทูลขอกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า ขอพระพญามษยสุ์ที่จะตรัสกับเราทั้งหลายทุกคนเพื่อให้เราสัมผัสถึงการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของพวกเราแต่ก่อนอื่นนะครับชีวิตของเรานั้นจะต้องสารภาพบาปให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเพราะเหตุที่ว่าความบริสุทธิ์ของพระเจ้าความบริสุทธิ์ของพระพญามัยสุดนั้นจะไม่อาจนะครับอยู่ในภาชนะที่สกโปกได้ดันั้นขอรับการชำระจากพระฤทธิตของพระเยซูสารภาพบาปขอรับการอภัยโทษ เพื่อที่เราจะสัมผัสกับการทรงนำของพระมิญานมืยชุดอเมน